Book 2 93 93อนุประโยคใช้เชื่อม z a v i s เ e เ a เชนิเซซ a าดัลฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ nezna ่ทราบว่าเขาจะฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ n e น n a ่ทราบว่าเขาจรเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ य. ดัลิเม่เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ดัลิเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ดัลิดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมซ Dali On m i s l i n ี mene ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Pitam s ซ d a l i on i อ a d r มาดรูกดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Pitam s ซ d a l i on l a นลาเเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า มิสลิลีอันยิ่งกนาเมเนเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าอิมัลิอันยิ่งก็เนกูดรูโกเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้กอวอริลีอันยิ่งกอิสติโนฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ s ุ่มยำดัลิเม่ออนสตวาดโนโวลฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่สุ n ม a m d a ล i เชมีพีเซตีฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ s ุ่มยำดัลิเชเม่โอเจนิตเขาจะชอบฉันจริงจังไหม เขาจะเขียนมาหาฉันไหมดั i ลี่จะมีออนอีพักพิสต์ตี้เขาจะแต่งงานกับฉันไหมดัลลี่จะมีออ a อีพักอุ้งเท้